สีบเจปันทกะวัตถุว่าด้วยบรรดอบรรพชาห้ามบรรด อ, อุปสมบทข้อหนึสมัยนั้นบรรดอคนหนึ่งได้บรรพชาในหมู่ภิกษุเขาเข้าไปหาภิกษุหนุ่มๆพูดชวนว่านี้พวกท่านจงมาประทุษร้ายผมเถิดครับพวกพระหนุ่มพูดไล่ว่าเจ้าบรรดอจงชิบหายเจ้าบรรดอจงพินาศ เจ้าจะมีประโยชน์อะไรเขาถูกพวกภิกษุไล่จึงเข้าไปหาพวกสมเนินโค้งร่างใหญ่กำยำพูดชวนว่าพวกเธอจงมาประทุษร้ายผมเถิดขอรับพวกสมเนินก็พูดรุกรานว่าเจ้าบดดเจงชิบหายเจ้าบดดเจงพินาศเจ้าจะมีประโยชน์อะไรเขาถูกพวกสมเนินพูดรุกลานจึงเข้าไปหาพวกคนเลี้ยงช้างพวกคนเลี้ยงมา้าพูดชวนว่า พวกคนจงมาประทุษร้ายเราเถิดจ้ะพวกคนเลี้ยงช้างพวกคนเลี้ยงม้าชำเราแล้วก็พากันตำหนิประนามโภนทนาว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรเหล่านี้เป็นบันดอบันดาสมณะเหล่านี้แม้ที่ไม่ใช่บันดอกก็ชำเราบันดอกเหล่านี้เมื่อเป็นเช่นนี้สมณะเหล่านี้จึงล้วนแต่ไม่ใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเลี้ยงช้างคนเลี้ยงม้าเหล่านั้นตนําหนิระนามโผนทนาจึงกล่าบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอนุปสัมบันผู้เป็นบรรดอไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วพึงให้ศึกเสียวงเล็บหนึ่ง